แก่ยู่วัดหนึ่งซุ้มประตูจะมีข้อความแกะสลักเป็นไม้แกะสลักลงในไม้เป็นข้อความใหญ่ต้นแบบนี้เขียนโดยลายมือของพระรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อในด้านนี้คือคนญี่ปุ่นนี่เขาจะให้ความสำคัญกับการเขียนตัวอักษรด้วยผู้กันเป็นศิลประชั้นสูงข้อความที่ไปติดอยู่บน สุมประตูนั้นก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจเขาเล่าว่าเป็นผลงานของอดีตเจ้าวาดชื่อว่าโคเซนท่านมีความสามารถในเรื่องการเขียนตัวอักษรได้ผู้กันจีนมากก็ตอนที่ท่านเริ่มเขียนข้อความที่ว่าเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ด้วยเขวก็ช่วยคนช่วยทำหมึกให้นะ ด้วยการขูดแล้วก็มันก็จะเป็นหมึกออกมาลูกศิษย์คนนี้ไม่ใช่แค่เป็นลูกมือเฉยๆแต่ว่าเป็นคนที่มีสายตาที่เฉียบคมตอนที่ท่านเจ้าวาดเขียนครั้งแรกนี่ลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่สวยท่านก็เลยเขียนใหม่เป็นแผ่นที่สองลูกศิษย์ บ, บอกแย่กว่าเดิมท่านก็เลยเขียนแผ่นที่สลูสกศิษย์ก็ก็ยังตําหนิว่ายังไม่ดี ท่านก็เขียนอีกบอกว่าเขียนได้ถึง80แผ่นก็ยังไม่ดีก็พอเพอิญพอเขียนมาถึง80แผ่นลูกศิษย์ก็มีธุระออกไปข้างนอกตอนที่ลูกศิษย์ออกไปข้างนอกนี้ท่านก็ก็รู้สึกขึ้นมาเลยว่าเออไม่มีใครอยู่แล้วนะตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้เขียนให้เต็มที่สักทีตอนนั้นใจนี่ท่านไม่มีกังวลแล้วใจไม่ได้คิดถึงลูกศิษย์แล้วเพราะลูกศิษย์ไม่อยู่ เป็นช่วงที่ใจนี้มีสละไร้กังวลเธอก็เลยตวัดผู้กันนะอย่างเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จลูกศิษย์ไปประเดี๋ยวเดียวกลับมาเอ้าเห็นอาจารย์เขียนเสร็จแล้วลูกศิษย์ชมมากเลว่ามันเป็นตัวอักษรที่งดงามมากที่สุดที่เขาเคยเห็นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอแผ่นป้ายบนซุ้มประตูนั้น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 พอเราไม่สนใจเขาหรือไม่มีเขาอยู่ด้วยนี่มันก็จะเป็นอิสระได้เวลาเราทางานหรือว่าเรียนหนังสือก็ตามเราคงสังเกตได้ว่าถ้าเราทำโดยคำนึงถึงสายตาของคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาจ้องอยู่เราจะรู้สึกเลย ว, ว่ามันมันไม่เป็นอิสระแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่คำนึงถึงสายตาของเขา ว่าเขาจะชมหรือจะเชียร์หรือว่าจะตำหนิธรรมชาติความสามารถที่เป็นธรรมชาติก็จะออกมามันพลั่งปลวกมานักเรียนที่ไปสอบเวลาสอบโดยที่ไม่นึกถึงใครเลยนึกถึงแต่ข้อสอบมันจะทำได้ดีนะแต่ถ้านึกถึงคนที่เขาจะคอยตำหนิหรือจะคอยพูดถึงผลสอบของเราไม่ว่าชม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 แล้วก็ตัวเก่งอันดับ2ตัวเต็งเนี่ยอันดับสองคือราชีพพ่อและแม่ก็เป็นแขกแล้วแต่ว่ามาเกิดในอเมริกาสามีตัวเต็งอันดับหนึ่งราชีพเป็นอันดับ2แต่ปรากฏว่าสามีเนี่ยพอมาถึงคำคำหนึ่งเนี่ยตกรอบสกดผิดไปตัวหนึ่งก็ตกรอบราชีพก็เลยได้มาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งก็เป็นความฝันของเขาเพราะว่าเขาแข่งมาหลายปีแล้วก็มีนักข่าวก่อนที่จะถึงรอบ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 เพราะว่าสิ่งที่เ้าคิดเนี่ยคือว่าทำไงถึงจะปลุกปั้มกับคำที่มันยักๆนี่ให้มันถอนรหัสออกมาให้ได้เขาไม่ได้คิดเขาแข่งกับคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นคำพูดที่มันกระทบใจผู้ชมมากเพราะผู้ชมใก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่มักจะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งเวลาทำงานนี่ก็จะเห็นคนอื่นไม่คู่แข่งตลอดเวลาแต่สามีเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาไม่สนใจคนอื่นเลยก็สนใจแต่ว่า ไอ้คำแต่ละคำที่ออกมานี่มันจะสะกดยังไงเมื่อทำเช่นนี้เนี่ยเขาก็เลยไ ม, ไม่ไม่มีความสึกดีใจที่เพื่อนตกรลอออันนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่สาคัญมากเพราะเวลานี้เราทางานเนี่ยรเรียนหนังสือเนี่ยเราก็จะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งตลอดเวลาแล้วเราก็มีความทุกข์แล้วในใจเราก็คอยแช่งให้เขามีอันเป็นไปอยากจะให้เพื่อนนี้สอบได้ไม่ดีเพื่อที่เราจะได้เป็นที่หนึ่ง หรือว่าอยากจะให้เพื่อนมีอุปรสรรคในการทํางานเพื่อว่างายของเราจะได้โดดเด่นกว่าคนอื่นมันจะมีความอิจฉาลุศยาและมันจะมีจิตที่เป็นอกุศลตามมาคือขอให้เขาเจ้งขอให้เขาลําบากขอให้เขามีอยนเป็นไปถ้าจิตเช่นนี้มันก็จะทําให้สั่งสมความคิดที่ไม่ดีเอาไว้และพอเขาได้ดีเราก็ทุกนะทั้งทั้งที่เราควรจะยินดีเพราะเขาเป็นเพื่อนเรา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 ระดับนัดสําคัญเนี่ยแล้วก็เกิดว่าฝ่ายหนึ่งเกิดไปทําฟาวในเขตโทษเราต้องมีการยิงลูกโทษการยิงลูกโทษเนี่ยเป็นวิธีเข้าประตูที่ง่ายที่สุดแล้วยิงตรงจุดโทษเนี่ยเป็นวิธียิงให้เข้าประตูง่ายที่สุดแต่ทําไมนักฟุตบอลระดับโลกหลายคนเน่ยเตะไม่เข้าไม่ใช่โกเก่งนะโกรับไม่ได้เดยซ้ําแต่ว่ามันเตะออกนอกกรอบไปเลยที่เตะไม่เข้าเพราะอะไร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 มันต้องนอกจากจะไม่มีใครคนอื่นแล้วต้องไม่มีแม้กระทั่งตัวเราด้วยไม่มีแม้กระทั่งตัวเราคือไม่มีตัวกูอยู่ด้วยเพราะถ้ามีตัวกูอยู่เมื่อไหร่เนี่ยจิตมันก็ยังหวั่นไหวอยู่เป็นแต่ลูกโทษเนี่ยแต่ลูกโทษที่มีตัวกูอยู่ว่าถ้ากูเตะไม่เข้าคนก็จะลุมปนามว่าแค่ง่ายๆแบบนี้ยังไม่เข้าคนที่เก่งๆเนี่ยมันกลัวลูกง่ายๆเพราะถ้าเตะเข้าก็เสมอตัว เตะไม่เข้านี่ก็ดุดา่าแต่ลูกยากๆนี่ยังถ้าเตะเข้าก็ยังได้รับคําชมเตะไม่เข้าคนก็ไม่ว่าอะไรเพราะลูกมันยากถ้าลูกง่ายๆเตะไม่เข้านี่เสมอตัวพ้าเตะเข้าเสมอตัวเตะไม่เข้าทุกด่ดามันก็เลยเตะไม่เข้าเพราะมันกลัวมันมีตัว ก, ว, กวกูเป็นผู้หวั่นไหวเป็นผู้วิตตบกับการที่จะเตะไม่เข้าคนเราน SD เนี่ยจะทุกเนี่ยนะในเรื่องใดก็ตามเนี่ยมันทุกเมื่อมีตัวกูนะหรือของกูเวลาของหายเนี่ย ถ้าเป็นของของคนอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เราเฉยเฉยแต่ทันทีที่รั่ว น, นี่เป็นของกูเราทุกทันทีเลยเวลาได้อ่านข่าวคนตายตามหน้าหนังสือพิมพ์อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเราอ่านก็เฉยเฉยแต่พอรู้ว่าคนตายนี่เป็นญาติของกูเป็นเพื่อนของกูนะหรือว่าเป็นคนในบ้านเดียวกับกูพอมันมีคําว่ากูอยู่เท่านั้นแหละนะมันทุกทันทีเลยมันเปลี่ยนไปเลย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 เขคงจำได้ที่เป็นเด็กเจ็ดขวดแล้วกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ร้องเลยตั้งแต่ที่ขาเละขาแหลกหมดน้องโยทนความเจ็บได้เหนือมนุษย์มากแล้วพอคิดถึงป้ากลัวป้าเสียใจในตอนนั้นนี่ไม่มีคําว่าตัวกูอยู่ในความคิดของน้องโยมีแต่ป้าอยู่ในความคิดคำหนึ่งแต่คนเรถ้ามีตัวกูอยู่เนี่ยเพียงแค่รอยขีดรอยควนที่แขนที่ขามก็ทุกข์แล้วนะตายแล้วเนี่ยกูจะไป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 มันมีแต่การเดินแต่ไม่มีพูดเดินมีแต่ความเครียดแต่ไม่มีผู้เครียดนะมีแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่มีพูดทุกเวลาป่วยเวลามีแผลนะเวลามีอะไรมากระทบกายถ้าไม่มีสติมันก็จะรู้สึว่าฉันเจ็บฉันเจ็บฉันป่วยฉันป่วยแต่ถ้ามีสตินะความเจ็บความป่วยนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปแทนตรงนี้เนี่ยนะมันผูที่ไม่เคยปฏิบัติอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ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 มันเผือปุ๊บลุบปั๊บ <s uss> เผือปุ๊บลุบปั๊บ <sk r ug> กลับมาอยู่ปัจจุบันได้กำลังอ่านหนังสืออยู่ใจมันแวบไปออกไปข้างนอกแล้วลึกได้ว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่กลับมาแล้ลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจค <sk r ug> ือราลึกได้ในปัจจุบันแล้ลึกได้ในเรื่องนอกตัวนี่ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องอดีตอนาคตแต่ลึกได้ในเรื่องตัวเองเนี่ยในเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันจะเป็นการลึกได้ในปัจจุบันซึ่งไวมากเพราะปัจจุบันปเป็นแค่แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเท่านั้นเอง นักเรียนก็ถูกฝึกมาในเรื่องการจําเรื่องนอกตัวมาเยอะแล้วแล้วก็จําได้นานแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําเพิ่มคือการระลึกได้ระลึกรู้ในกายและใจที่เป็นปัจจุบันในแต่ละขณะแต่ละขณะขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่ก็อยู่กับตรงนี้แต่แน่นอนมนก็เผลอได้มันก็ลืมได้ลืมได้เราก็จําได้ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กลับมาระลึกได้ว่ากำลังโกรธอยู่ระลึกได้ว่ากาลังโมโหอ ย, อยู่นี่คือรู้ใจ รู้ว่าทําอะไรอยู่อันนี้คือรู้กาย CC. อาบน้ําอยู่ก็รู้ว่าลังอาบน้ําไม่ใช่ว่าเลือมไปไม่รู้ไปไหนแล้ะไปคิดนอนคิดนี่ฟุ้งปรุงแต่งตถ้ามีสติรู้แบบนี้นี่อย่างต่อเนื่องเนี่ยธรมปัญญาก็จะตามมาความสึกตัวก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเรืรู้ในใกายและใจอยู่เสมอไม่ลื่มกายไม่ลืมใจความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นเราเรียกว่าอยู่กับใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้กับตัวคือใจไม่ลอยแล้วก็ใจไม่เข้าไปหมกมุ่นในความคิด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 ว่างปล่าทั้งตัวเองอันนี้เป็นสุดยอดเลยนะคนที่เขาเป็นศิลปินหรือว่าเป็นผู้รู้จะเป็นนักยิงธนูจะเป็นนักวาดนะที่สุดยอดเนี่ยเวลาเขาวาดเวลาเขาทำงานมันไม่มีใครอยู่ในความคิดไม่มีแม้กระทั่งตัวกูอยู่ในความคิดด้วยมันเป็นความว่างที่ทาให้เกิดผลงานสร้างสารรค์ที่สุดยอดมาก